จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านเสียงเพลงสาธุการดังขึ้นก็เป็นสัญลักษณ์ของรายการธรรมะส่สันติซึ่งจะทำหน้าที่ให้ความรู้ทางด้านธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนาให้แก่สาธุชนได้รับฟังเป็นประจำซึ่งวันนี้อัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ วัดหลวงพ่สดธรรมกายรามก็จะได้ขอนำเสนอธรรมบัญญายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคลโลที่ได้แสดงไว้ณศ า, าลากา ร, ปรเปี่ยนวัสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครหรือวัดภูเขาทองซึ่งให้แก่สาธุชนที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ได้รับฟังกันเนื้อหาสาระของธรรมนั้นก็มุ่งเน้นไปที่การสร้างสมบุญกุศล และอานิสง์ของบุญกุศลที่เรากระทำไปนั้นว่าจะได้รับอย่างไรบ้างเป็นที่น่าติดตามเลยทีเดียวและขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับเนื้อหาสาระของธรรมบรรยายจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังงโลโดยพร้อมกันใบวัดนี้เราประกอบทานกุศลแก่พระภิกษุผู้ตั้งใจศึกษา ปฏิบัติธรรมขจัดขัดเกลากิเลชอยู่เป็นประจำและแม้ในปัจจุบันที่กำลังจะถวายสังฆทานนี้นี่ขึ้นชื่อว่าสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงอย่างนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าเป็นมหาคุลอย่างยิ่งและนอกจากเราทาเอง อย่างหนึ่งชักนำผู้อื่นเข้ามาร่วมทมด้วยอย่างหนึ่งและอีกประการหนึ่งท่านไม่ได้สังเกต <c oughs> คือการอโนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนี่ให้ผลเป็นทัพทวีนะตรงนี้ประกอบด้วยองค์สามหนึ่งทำเองสองอุทิศส่วนบุญสามอโนุโมทนาบุญ เราในตัวคนเดียวกันเนี่ยทำสามประการนีพร้อมเสร็จเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยจึงส่งผลมากด้วยกิริยาบุญของเราสามประการนี่เป็นกิริยาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุทำเองหนึ่งอุทิศให้คนอื่นอีกหนึ่ง และเราอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันอีกหนึ่งนี่ได้บุญยากิริยาวัตถุสามประการพร้อมกันซึ่งใครไม่สังเกตอะถ้าผู้รู้ก็จะสังเกตรู้นี่แหละทำไมถึงว่ามาปฏิบัติธรรมที่วัดทำไมปฏิบัติที่บ้านไม่ได้หรือได้แต่อานิสงส์ไม่ครบองสาม ชัดเจนในหมู่มนุษย์ของเราผู้ปฏิบัติธรรมด้วยถ้าอยู่ที่บ้านนี่เราทำบุญได้อุทิศส่วนกุศลก็ได้แต่เราไม่ได้อนุโมทนากับใครอุทิศส่วนกุศลก็อุทิศได้แต่เฉพาะบรรด า, อาโอปปาตาิกา คือสัตว์โลกที่โปร่งแสงแต่มาที่นี่เราอุทิศให้ทั้งอย่างนั้นและทั้งอย่างนี้ที่เห็นอยู่นี่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนว่าเรามีเทียนเล่มหนึ่งจุดสว่างจุดสว่างแล้วเราบอกให้คนอื่นบอกนี่มาต่อเทียนกับฉันด้วยเนะี่ยเอางั้นเราต่อเทียนซึ่งกันและกัน จำนวนเทียนที่ต่างคนต่างจุดต่างคนต่างต่อซึ่งกันและกันทั้งหมดเนี้จะให้แสงสว่างเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ท่านนึกเอาเพราะฉะนั้นนี่ฝ่ายบุญกุศลจำเพาะในส่วนที่เป็นกิริยาวัตถุสามประการที่ว่า เรามาทำบุญที่วัดเนี่ยมันแตกต่างจากที่บ้านยังไงและถ้าคิดไปอีกบางคนอาจจะเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าที่บ้านไม่เป็นไรผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยบอกบุญด้วยก็มีตามส่วนแต่ว่าไม่มีจำนวนมากและ อาจาะนะอาจาะไม่มีคุณภาพที่กายวาจาใจได้รับการชำระโดยจงใจเหมือนท่านทั้งหลายที่มาตั้งใจชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองจากจิตใจด้วยการมาประพฤติปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาร่วมกันอย่างนี้นี่ก็คุณภาพแตกต่างกัน และนอกจากนั้นทว่า ง, งานเลี้ยงนั้นต่อไปก็ไม่ใช่เลี้ยงพระพระไปก็ตั้งวงเล่าสวัสดีเลยนั่นแหละบริวารสมบัติก็มิจฉาทิฏฐิ ผ, ผสมเข้าไปเพราะฉะนั้นความแตกต่างซึ่งคนในระดับที่เรียกตนเองว่าปัญญาชนมักจะวิาพากษ์วิจารณ์ ว่าทำบุญที่บ้านก็ได้ได้บุญเหมือนกันจริงเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันนี่อันนี้ขอให้สรางไว้เรื่องธรรมะเป็นเรื่องละเอียดเมื่อเข้าไปเข้าไปเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นละเอียดรอนะฮะทีนี้เมื่อกี้ว่าด้วยบุญยาิริยาวัตถุเท่านั้น ยังไม่ได้พูดถึงคุณภาพจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานของทั้งผู้กระทาทำบุญนั้นทั้งผู้อุทิศส่วนบุญนั้นและทั้งผู้อนุโมทนาส่วนบุญนั้นเรายังไม่ได้พูดแต่เมื่อกี้ได้แตะไปหน่อยว่าผู้ทาก็ดี ผู้อุทิศก็ดีคู่รับอนุโมทนาก็ดีล้วนแต่ตั้งใจตั้งเจตนาจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมใจจะเป็นยังไงโดยส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยใจเป็นยังไงใจย่อมสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเราไม่ว่ายิ่งกว่าผู้อื่นนะยิ่งกว่าผู้อื่นพูดไม่ได้ยิ่งกว่าตัวเราทั้งหลายที่ยังไม่ได้ตั้งใจเจตนาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ จำไว้เรื่องคุณสมบัติของคนระดับธรรมะอย่าไปเทียบกับคนอื่นให้เทียบกับตัวเราเองในแต่ละคณะเป็นสําคัญแล้วเราจะเข้าใจไม่งั้นเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าบางคนมาวัดบางทีก็แสดงกิริยาอาการที่รุ่มร่มไปด้วยกิเลสอาจจะมากกว่าคนที่ไม่ได้เข้าวัดก็ได้ และระดับจิตก็ไม่แน่นีกล่าวโดยธรรมดากลางๆแต่ถ้าโดยธรรมดากลางๆที่เป็นจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าบุคคลใดที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างนี้บุคคลนั้นในขณะที่กระทำกรรมดีนั้นอยู่ระดับจิตก็ย่อมสูงกว่าตัวเขาเองเมื่อก่อนที่จะทาเช่นนั้น อันนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในขณะนี้แปลว่าท่านทั้งหลายผู้กระทาทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลชำระจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งผู้อุทิศบุญกุศลเหล่านี้และทั้งผู้อนุโมทนาบุญกุศลมีระดับจิตใจอยู่ในสภาวะที่ดีเลิศ สำหรับแต่ละบุคคลซึ่งรวมกันเป็นคณะผู้ปฏิบัติธรรมนี้นอกจากนั้นนี่อีกโสดหนึ่งนะที่ว่าท่านได้อานิสงส์หรือมีอานิสงส์ที่สูงยิ่งไปกว่านั้นอานิสงส์ต้องแจกแจงต่อไปอีกว่าทานกุศลเราจะทำสังฆทานนี่เป็นทานกุศลแกมูสงไม่เฉพาะเจาะจงนี่เป็นบุญใหญ่บุญสาคัญในขบวนทานทั้งหลาย ซึ่งเทียบกับปุคลิกทานคือทานเฉพาะเจาะจงนี่อันหนึง่งถึงแม้จะมีใครบางคนตั้งใจว่าวันนี้จะเอานี่มาถวายหลวงตานะแต่ถ้าหลวงตานั้นท่านถือร่อน ถ, ถวายแจกไปหมดเป็นสังฆทานและผู้ที่ถวายนั้นอนุโมทนาอยู่ในใจเป็นสังฆทานไม่เป็นปุคลิกทานอันนี้ให้เข้าใจไว้ด้วย อีกประการหนึ่งที่จะไข่ชี้ให้เห็นว่าทานกุศลอันสัมปยุตหรือประกอบ ด, ด้วยศีลกุศลตั้งใจรักษาศีลชาระ ก, กายวาจาสะอาดและก็ภาวนากุศลทาใจให้ใส่แล้วก็เจริญปัญญาในเรื่องบาปบุญคุณโทษให้รู้ตามที่เป็นจริงนี่เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนา และเป็นปัญญาที่เกิดจากการสดับตรับฟังเป็นสุดตะไม่ปัญญาและาเป็นภาวนาไม่ปัญญาและได้พิจารณาไตรตรองแล้วเห็นสมถูกต้องเหมาะสมก็เป็นจินตะไม่ปัญญาครบองศาท่านมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาสมาธิและปัญญาเพราะอย่างนี้ประเสริฐละถ้าจะเปรียบอุปมาแสงสว่าง ก็คือว่าแสงสว่างที่ท่านได้จุดขึ้นทําขึ้นทั้งสามประการทานศีลภาวนาเพื่อละชั่วคำว่าชั่วเนี่ยอย่าฟังเป็นคำหยาบให้นึกว่าเป็นกรรมที่เป็นบาปอากุศลที่ให้ผลเป็นความทุกข์เบือดร้อน ละชั่วในเริ่มตั้งแต่วางอุปทานยึดอยู่ในครอบครัวในทรัพสมบัติในหน้าที่การงานในอะไรอะไรทั้งนั้นวางถึงมาได้ไม่วางมาไม่ได้วางอุปทานในต้องคนมีปัญญานะไม่มีปัญญามาไม่ได้มันติดนุกนักนุกนับนับ่นแหละเพราะฉะนั้นก็นี่เรียกว่าละชั่ว นอกจากนั้นมาบริจาคทานกุศลให้เกิดปัญญารู้ใช่นหว่าเรามาชำระล้างความเห็นแก่ตัวตระหนี่เหนียวแน่นเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นอุทิศส่วนกุศลก็ไม่เห็นแก่ตัวจะกอบบุญโกยบุญแต่ผู้เดียวไม่ใช่เราเป็นผู้รู้โดยปัญญาว่าบุญไม่มีที่สิ้นสุดคือความสะอาดบริสุทธิ์แห่งใจไม่มีที่สิ้นสุด นั่นเองจึงอุทิศให้ไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกบุคคลที่รักที่ช่างให้เขาไปเถอะให้เขาไปทำไมยิ่งคนที่เกลียดกันให้ไปทำไมเราไม่เกลียดเขาเขาเกลียดเราก็ช่างให้ก็ทำไมนี่หนึ่งแล้วนะนี่เราจะให้เขาเนี่ยเราไม่เกลียดเขาเราจึงให้แต่เขาจะเกลียดเราก็ช่างเห็นไหมละ่ะตรงนี้บุญมันเกิดแล้วเราวางอุปทานตัวตนของเราได้แล้ว แล้วก็วางคนอื่นได้ด้วยี่ทีนี้มีละความตรณีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวใครเข้าไปใจเราก็กวา่าโดยการอุทิศ ส, ส่วนกุศลไม่ถือเขาถือเราแล้วผู้อนุโมทนาละ่ะผู้อนุโมทนานี้ถ้าใจบริสุทธิ์แล้วก็อนุโมทนา ใครทำดีแม้คนนั้นเราเคยรักก็ดีเราเคยชังก็ดีแต่เขาทำดีเราอนุโมทนาเราอนุโมทนาความดีนี่ปัญญามันเกิดมันชำละลงไปชำละลงไปในเนื้อของธรรมชาติเราไม่มองบุคคลแล้วบุคคลไม่มีความหมายสัตว์บุคคลจริงๆแล้วต่อไปเป็นอนนาตตาแต่ความดีมันจะเพิ่มเป็นบารมีเป็นบุญเป็นบารมีบารมีปรมัตบารมี ตอนนี้ผู้อนุโมทนาส่วนบุญก็ไม่มีมาณทิฐิใส่กันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อนุโมทนาตัวบุคคลเราอนุโมทนาคุณความดีที่บังเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นในขณะนั้นเราได้ส่วนบุญนี้แต่มีเหมือนกันนะผลของบุญถ้าเราอนุโมทนาบุญ กับคนที่มีปกติชำระใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเราได้ที่พึ่งอันประเสริฐบุญมันจะส่งให้ได้ที่พึ่งอันประเสริฐแต่ถ้าเราไปทำบุญไปอนุโมทนาบุญกับคนที่มีปกติทำความดีบ้าง ไม่ดีบ้างนั่นบุญจะส่งให้ไปสเกวยผลบุญอยู่กับคนประเภทนั้นหรือว่าเพิ่งดีนั้นนิดเดียวและนอกนั้นก็เป็นสันดานไม่ดีอยู่เรื่อยนั่นแหละเราจะมีที่พึ่งประเภทนั้นนั่นผู้อนุโมทนาบุญหรือผู้ทำบุญด้วย มันละเอียดอ่อนนะเรื่องบุญแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้นี่แหละเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเรามาทำบุญคําว่าบุญให้เข้าใจนะมากาจัดชั่วนี่แหละไอ้ที่ว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยแม้แต่ทิฏฐิความเห็นที่ผิดไปเนี่ยมันก็เป็นความชั่วเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเขียนคำนี้นะแล้วก็ทำดีทำดียังไงเมื่อเราชำระความชั่ว อันเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองในจิตใจของเราออกไปเพียงใดจิตใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเพียงนั้นไอ้ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนั่นแหละคือบุญแล้วบุญนี้อยู่ที่ไหนบุญมันก็อยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ศูนย์กลางกาเนิดธาตุทำเดิมแล้วมีผลยังไงมีผลทำให้ใจต่อใจ ข้างในของเราใสาสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพิ่มเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปร r a m a บารมียิ่งยิ่งขึ้นไปและยังไงประทับอยู่หรืออีกในหนึ่งชำระธาตุธรรมที่ไม่สะอาดให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นกายหยาบของเราเนี่ยมีธาตุละเอียดมีธรรมละเอียดควบคุมอยู่หน้าภายใน ถ้าเผื่อธาตุละเอียดนั้นถูกชำระด้วยธรรมชาติที่ชื่อว่าบุญธาตุละเอียดนั้นก็สะอาดเมื่อธาตุละเอียดนั้นสะอาดกูดลึกไปหน่อยแล้วนะที่นี่นะภาคผู้เลี้ยงคือจกกักรพรรดิภาคผู้สอนผู้ทรงผู้สั่งผู้บังคับผู้ปกครองถึงต้นธาตุต้นธรรมของตนแต่ละคน ล, ละคน เมื่อสะอาดจำเพาะในส่วนที่เป็นสังขารปรุงจากบุญเรียกว่าบุญญาภิสังขาร น, นี้จะส่งผลมาเป็นความสุขความเจริญแกเราในทางโลกให้เป็นพื้นฐานของการเจริญ ความดีที่เป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีปรมัาบารมีได้สะดวกได้สะดวกนะนี่คำหนึ่งได้สะดวกได้สะดวกไม่เดือดร้อนโยมมาถ้าเดือดร้อนมาไม่ได้เอาง่ายๆแค่นี้แหละแล้วก็ยังว่าได้ถูกทางนี่อันนี้สำคัญมากคนมีเงินใช่ว่าจะทำถูกทางหมดไม่แน่นะ คนมีเงินมีทรัพสมบัติมีลาบสักการะยศสรรเสริญสุขมากเนี่ยใช่ว่าจะเดินถูกทางเที่ยงตรงต่อ น, นิพันธเสมอไปหาไม่ได้แต่เรามาทำอย่างนี้ทั้งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลบุญมันจะส่งพร้อมจากทั้งทานกุศลให้เป็นผู้มีมนุษย์สมบัติ ทั้งทรัพสมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและคุณสมบัติซึ่งประกอบด้วยทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมนี่เป็นพื้นฐานขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเป็นทิพยสมบัติแล้วก็เป็นนิพานสมบัตินั่นแหละที่ว่าเป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีป a r a m a บารมีมันขึ้นถึงนิพานสมบัติมันตรงไปอย่างนี้นี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เข้าใจได้ไม่ง่ายทีนี้ภาคผู้เลี้ยง ซึ่งมีอยู่ในทุกสัตว์ทุกสัตว์โลกอยู่ในกลางกำเนิดธาตุทำเดิมของทุกสัตว์โลกนั้นเมื่อประกอบด้วยธาตุธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ภาคผู้เลี้ยงผู้สอนผู้สรงผู้สั่งผู้บังคับผู้ครองถึงต้นในต้นก็ เป็นฝ่ายบุญฝ่ายสัมมาทิฏฐิที่ให้ผลเป็นแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตไปในทางถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวไม่ประกอบด้วยความทุกข์แปลว่าความทุกเวรภัยเกิดจากกิเลสตัณหาอุปาทาน แล้วก็ประพฤติผิดศีลผิดธรรมไปนั่นมันจะลดน้อยถอยลงชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็เบาเบาเบาเบาไปจนในที่สุดถึงเป็นชีวิตของพระอริยะบุคคลก็เบาเต็มที่หละไม่มีการหนักถอยหลังไปประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีที่ไม่ชอบอันจะมีผลให้ได้รับ ความทุกข์เดือดร้อนถึงขั้นตกไปสู่อบายภูมิได้นี่ความละเอียดถี่ท้วนของเรื่องบุญเพียงเรามาทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เข้าใจเสียแต่ว่าอาตมาจะไม่ไปบอกว่าโอ้มาทำบุญที่นี่บุญมากเฉยๆอย่างงอย่างนี้ให้เป็นการไม่กระจ่างแจ้ง ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์จะไม่ทำอย่างนั้นแต่จะชี้แจงให้โยมทราบว่ามันเป็นยังไงโยมพึงทราบอย่างนี้แล้วทีนี้ไม่หลงละจะไปที่ไหนพบใครทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจและเจตนาความคิดอ่านอย่างนี้แล้วก็ทำไปเถอะอนุโมทนาไปด้วยทำไปด้วยอย่างนี้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 ที่สาธุชนได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นธรรมบัญญายของลุงพ่อพระมหาเสริมชัยเชยะมังคลโลในเรื่องบุญและอานิสงค์ของบุญสาธุชนก็คงจะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสแสวงหาบุญในทางพระพุทธศาสนาก่อนจบรายการวันนี้อาตมาขอแจ้งข่าวการอบรมพระกรรมฐานประจำปีของวัดลุงพ่อสดธรรมกายรามให้สาธุชนได้ทราบซึ่งปีนี้ในรุ่น ปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมนี้เป็นการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่36จึงขอเชิญท่านสาธุชนรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์สามาเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านเข้าไปร่วมรับการอบรมพระกรรมฐานประจำปีในรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่ประการใด พิเศษสำหรับปีนี้ระหว่างวันที่สวันที่หและวันที่6ทธันวาคมนั้นทางหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจะได้จัดโครงการอบรมจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นพิเศษจึงขอเชิญท่านสาธุชนไปเข้าร่วม โครงการเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระจุศด้วยและถ้าท่านใดประสงค์จะอยู่อบรมพระกรรมฐานต่อก็แจ้งความประสงค์ได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ประชะัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหมายเลขโทรศัพท์032254650และ253352ต่อ220ได้เป็นประจำทุกวัน